พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส2บสองพระสูตรที่23วสิสามมิกะสูตรสูตรแสดงข้อเปรียบเทียบด้วยจอมปลวกพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวนารามพระกุมารากัสปะนำปัญหาของเทวดาสิบห้าข้อติดต่อกันไปทูลถามว่าได้แก่อะไรปัญหานั้นโดยใจความว่า รามสั่งสิทธิ์ให้ขุดจอมปลวกซึ่งเป็นควันในเวลากลางคืนเป็นเปลวไฟในเวลากลางวันซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเฉลยว่าจอมปลวกได้แก่กายของมนุษย์เป็นควันในเวลากลางคืนเพราะคิดเรื่องราวต่างๆเป็นเปลวไฟในเวลากลางวันคือวุ่นวิ่งทําการงานด้วยกายด้วยวาจาในเวลากลางวัน รามที่สั่งให้ขุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิทธิผู้ขุดคือพระเสขะสัตราที่ขุดคือปัญญาพระสูตรที่24สพระธวินีตสูตรสูตรแสดงข้อเปรียบเทียบด้วยรถเจ็ดพลัดพระผู้มีพระภาคประทับณเวรวนารามใกล้กรุงราชคฤห์ ระปุณณมันตานีบุตเป็นผู้ได้รับสรรเสริญจากภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในชาติภูมิเป็นที่แห่งหนึ่งในสักกาชนบทขึ้นแก่กรุงกระบินละพัดพระสารีบุตรจึงถือโอกาสที่ท่านมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วไปพักกลังวันในป่าเข้าไปพบสนทนาธรรมะกันธรรมะที่สนทนากันนั้นคือเรื่องวิสุทธิความบริสุทธิ์หรือความหมดจดเจ็ดอย่าง มีความหมวดจดแห่งศีลเป็นข้อแรกมีความหมวดจดแห่งยานัทสนะคือความเห็นด้วยยานเป็นข้อที่เจ็ดซึ่งพระปุณณะกล่าวว่าท่านไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อวิสุธทธิเพียงข้อใดข้อหนึ่งแต่ประพฤติเพื่อความดับโดยไม่มีเชื้อเหลือเพราะวิสุธทธิเหล่านี้เป็นเพียงเหมือนรถเจ็ดลัดที่ส่งให้ถึงที่หมายรถจึงไม่ใช่ที่หมาย แต่ส่งให้ถึงที่หมายได้ทั้งสองท่านต่างชื่นชมพาสิทธ์ของกันและกันพระสูตรที่25นิวาปาะสูตรสูตรแสดงข้อเปรียบเทียบด้วยเหยื่อหรืออาหารสัตว์พระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวานารามทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย ถึงสมณพราหมีสี่ประเภทที่ตกอยู่ในเงื้อมือของมารสามประเภทพ้นไปได้เพียงหนึ่งประเภทเปรียบเหมือนเนื้อสี่ประเภทที่ตกอยู่ในเงื้อมือของนายพรานผู้เอาเหยื่อล่อสามประเภทพ้นไปได้เพียงประเภทเดียวทรงเปรียบโลกามิตรคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะหรือกามคุณห้าด้วยเหยื่อล่อ เปรียบมารด้วยนายพรานเทียบบริษัทของมารด้วยบริษัทของนายพรานเปรียบสมณพราหมณ์ด้วยหมู่เนื้อสมณพราหมณ์พวกแรกติดโลกามิตรไม่พ้นเนื้อมือมารจึงเปรียบเหมือนเนื้อพวกแรกที่เห็นแก่เหยื่อล่อของนายพรานสมณพราหมณ์พวกที่สองไม่ติดตอนแรกแต่ไปติดในตอนหลัง คือไม่อดทนต่อความอดอยากเปรียบเหมือนเนื้อพวกที่สองที่หนีเหยื่อตอนแรกแต่ทนอดไม่ได้ต้องมาหาเหยื่อในภายหลังสมณพราหมุกพวกที่สามไม่ติดอามิตรแต่ติดทิฐิความเห็นผิดเปรียบเหมือนเนื้อพวกที่สามที่ไม่ติดเหยื่อล่อแต่ถูกล้อมจับด้วยเครื่องมือจับสัตว์สมณพราหมณ์พวกที่สี่ ซึ่งไม่ติดอามิตรไม่ติดทิฏฐิไม่ประมาทจึงพ้นจากเงื้อมือมารเปรียบเหมือนเนื้อพวกที่สีซึ่งไม่ติดเหยื่อล่อและไม่ถูกล้อมจับได้ตรัสแสดงข้อปฏิบัติคือรูปปานสีอารูปปานสีและสัญญาเวทยยตานิโรธว่าไม่ใช่กติของมารและบริษัทของมารมารมองไม่เห็น